สุริโยไทยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจื้อแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภ า, าหมู่ปกษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อกาวจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งบนทิน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 ยึดพรธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจมสายเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านสายตื่นขึ้นรับสับธรรมญาติโยมก็ฟังนำสบายนะกันเองพันแม่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วัน วันนี้อาจจะมาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความกระตัญยูความกระตัญยูนี่ก็เป็นหนึ่งในมงคลละสูตรเพราะคนเราเนี่ยจะต้องมีบุญคุณต่อการเกือบเกือบทุกคนถ้าสังเกตดีๆแม้จะเป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนญาพี่น้องมายกนิทานมาเล่าให้โยมฟัง เรื่องแรกจะเล่าเรื่องราคาเต็มของชีวิตมีบ้านอยู่หลังหนึ่งคุณแม่กาลังทำอาหารอยู่หนูน้อยวัยซนถือกระดาษมายื่นให้คุณแม่คุณแม่ก็เช็ดไม้เช็ดมือแล้วก็รับกระดาษนั้นขึ้นมาดูและอ่านข้อความในกระดาษเก็บขยะไปทิ้งเป็นเงินหบาท ไปซื้อของให้แม่เป็นเงินห้าบาทขวาล้านบ้านเป็นเงินห้าบาทช่วยดูแลน้องชายเป็นเงินห้าบาทสอบได้คะแนนดีเป็นเงินห้าบา ท, บนานบาทรวมมูลค่าเป็นเงินทั้งหมดยี่สิบห้าบาท คือหนูน้อยจอมสนถือกระดาษมาเพื่อทวงเงินแม่จากที่การที่ทำอะไรต่างๆให้คุณแม่พอ อ, อ่านข้อความนั้นจบก็หยิบปากกาแล้วก็พลิกเข้ามาเขียนด้านหลังแม่อุ้มท้องเก้าเดือนไม่คิดเงินยามลูกเจ็บป่วย แม่รักษาแม่ไม่คิดเงินอาหารเสื้อผ้าพาเที่ยวไม่คิดเงินยามที่ลูกทำทำให้แม่เสียมตาไม่คิดเงินแม่เช็ดขี้ น้ำมูกอ่ามน้ำให้ลูกไม่คิดเงินรวมราคาเต็มของความรักแม่ไม่คิดเงินแล้วก็ส่งกระดาษให้ลูกลูกพออ่านกระดาษที่ข้อความที่แม่เขียนให้น้ำตาก็เริ่มอาบไหลหันน้ององหน้าแม่ ด้วยความรักอย่างสุดซึง้งแล้วก็พูดเสียงเบาๆผมรักแม่ครับแล้วก็หยิบปากกาขึ้นมาเขียนในกระดาษข้อความตัวโตๆ ว, ว, ว่าแม่จ่ายให้หมดแล้วจุด ๆ, ๆแต่ลูกยังทอนให้ไม่ครบครับ อันนี้ก็คือเรื่องแรกเรื่องนี้จะมีข้อคิดอยู่ตรงที่ว่าโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจะชินชาต่อความดีของพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่ทำความดีกับลูกเป็นร้อยครั้งพันครั้งหรือหมื่นครั้ง ลูกก็อาจจะลืมได้เพราะมันชินมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกแต่ถ้ายามใดที่พ่อแม่ดุด่าลูกหรือขัดใจลูกยามนั้นลูกจะจำได้ไม่ลืมเลยแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นแต่บุญคุณความดีทั้งหมดเนี่ยจะลืมอันที่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ เราถึงต้องมาฝึกมาปฏิบัติกันเพื่อดึงสัญชาตญาณคุณงามาดีให้ขึ้นมาบ่อยๆอันนี้มีผลตราตอนตายด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะคิดทางลบจะคิดแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีเรื่องที่ดีๆเนี่ยจะยากมากเลยเราไปทปําบุญที่ไหนสร้างความดีที่ไหนม้างมันจําไม่ค่อยได้หรอกมันจะไปจำเรื่องไม่ดีใครด่าเราใครดินทาเราใครเคยทําร้ายเราอันนี้มันจําหมดแหละแม้แต่ผัวเมียก็เหมือนกัน บางครั้งเนี่ยดีต่อกันตลอดพอทะเลาะ ก, กันแค่ครั้งสองครั้งก็เลิกกันก็ได้ก็มีความดีที่เคยทำไว้หายหมดเพราะจิตมันไม่จำมันไ่จำเรื่องร้ายอันนี้เป็นสัยชี้ยาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ต่อมาเรื่องที่สองเรื่องแม่ครับขอยืมเงินหน่อยหน้าบ้านหลังหนึ่ง ตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มแล้วนงมุดเดินเข้ามาบ้านด้วยความอ่อนล้าหลังจากทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วต้องนั่งรถกลับวันแล้ววันเล่าพอมาถึงบ้านลูกน้อยไวยซนประมาณ9ขวบก็วิ่งออกมาต้อนรับแม่ นงนุชอยู่กับรูปตามลำพังเพราะสามีเธอตายไปเมื่อปีกลายด้วยด้วยอุบัติเหตุเพราหนูน้อยเห็นหน้าแม่ก็ทักกันทีแม่วันนี้เหนื่อยไหมนงนุชก็ตอบว่าเหนื่อยที่จะลูกแม่ผมมีเรื่องจะถามแม่หน่อยพอแมกก็ตอบว่ารอเดี๋ยวให้แม่ อาบน้ำทานอาหารก่อนซึ่งหนูน้อยก็ถามต่ออีกแม่แม่ครับแม่ทำงานเนี่ยได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่หนูนุ้ย ก, ก็ตอบไปว่าวันละสี่ร้อยแล้วลูกจะถามทำไมเนี่ยคือผมอยากจะขอยืมเงินแม่ทักสองร้อยครับ น้องรุตพอได้ยินอย่างนั้นเธอก็ดูลูกคนทีหาลูกว่าไงนะเงินไม่จะ่หาง่ายๆกว่าแม่จะได้มาสี่ร้อยแม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำประกับถึงบ้านลูกก็จะมาขอดักยืมเงินแม่แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนล้วลูกทำประโยชน์อะไรให้แม่บ้าง แม่ถึงต้องให้ลูกยืมเงินหนูน้อยพอได้ยินแม่ว่าเท่านั้นน้าตาก็ไหลเดินกลับเข้าห้องไปนงนุษก็ไปอาบน้าอาบเสร็จก็ทานอาหารพอทานอาหารเรียบร้อยก็ไปเดินเล่นบนระเบียงบ้านหวนิดไปถึงเรื่องอดีตหวนิดถึงการงาน ต้องย้อนกลับมาคิดถึงลูกลักลูกของเราเป็นเด็กดีไม่เคยขอเงินเพิ่มเลยได้เงินแต่ค่าขนมไปโรงเรียนเท่านั้นจะต้องมีเหตุผลอะไรในการมาขอยืมเงินเราลูกอาจจะมีความจำเป็นอะไรบางอย่างเรารู้สึกอารมณ์เสียและเครียดจึงตะวัดและดุลูกไปเช่นนั้นลูกคงเสียใจมาก คิดได้ดังนี้แล้วนงนุชก็เดินเข้าไปที่ห้องลูกชายซึ่งตอนนี้ก็ดับไฟแล้วแต่นอนตะแคงน้ำตาอาบแก้มนงนุชเปิดไฟแล้วเดินเข้าไปรูปหัวรูปลูกแม่ขอโทษเมื่อกี้ที่ใช้ลงกว่าลูกมากไปหน่อยไหนลูกลองบอกแม่ซิ ลูกต้องการยืมเงินแม่ไปเพื่ออะไรถ้าลูกมีเหตุผลพอแม่ก็จะให้ลูกยืมเพราะลูกเนี่ยเป็นดวงใจของแม่ที่สำคัญมากหลูน้อยตอบด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นบนน้ำตาเสียงจุกในลำคอแม่ครับ ผมเก็บเงินค่าขนมของผมผมแม่ที่ให้วันละเล็กวันน้อยตอนนี้ผมสะสมได้ครบ200อบาทแล้วพอได้ฟังจากแม่ว่าแม่ทำงานได้วันละ400รซึ่งเงินผมไม่พอผมอยากขอยืมเงินแม่อีก200มาสมทบเพื่อที่ลูกจะได้ใช้เป็นค่าจ้างให้แม่ได้อยู่กับผม สักวันหนึ่งเป็นการจ้างให้แม่ได้พักผ่อนคือผมเหงามากผู้พืนแม่ได้ฟังนั้นน้ำตาก็อาบแก้มนิทานเรื่องนี้ก็สอนว่าเงินทองเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่ครอบครัวก็ต้องการความรักความอบอุ่นเช่นกันซึ่งเราต้องมีความรักให้ทั้งสองสองอย่างคือ เงินก็เป็นสินขาดไม่ได้เราก็ต้องหาเพื่อจุนเจือครอบครัวแต่ความ ร, รักของลูกและครอบครัวสามีภรรยาอันนี้เราก็ไม่ควรมองข้ามถ้าครอบครัวเรามีความสุขเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีไปหมดแต่ถ้าทุกการหาเงินของเราก็ไร้ค่าไม่ประโยชน์เพราะเป็นวัตถุนอกตัวเราไม่ควรมองข้ามจุดนี้นิทานเรื่องต่อไปเราจะไปสมัยก่อน พิธาเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนสมัยราชวงศ์โจณเมืองถ้ำอันมีเจ้าเมืองชื่อว่าทำจือเจ้าเมืองคนนี้มีความเฉลียวฉลาดมากและเป็นนักบาทมีความกระตันอยู่ต่อบิดามารดา เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนประชาชนในเมืองรักใคร่มากแล้วต่อมาวันหนึ่งแม่ของเจ้าเมืองทำจือก็ป่วยไม่สบายและเป็นโรคตาแทรกซ้อนหาหมอมารักษายังไงก็รักษาไม่หายแล้วอยู่มาวันหนึ่ง แม่ที่ป่วยก็ฝันไม่ว่าเทวดามาบอกว่าจะต้องหาน้ำนมของกวางมาหยอดตาเท่านั้นตาถึงจะหายทำจีรพรู้เข้าก็ให้คนไปหากวางหากวางมาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ไม่รู้จะทำไงต้องหลายวันแล้วด้วยความกระดันอยู่ต่อแม่ กเลยตัดสินใจไปยืมหนังกวางจากพานแล้วก็ใส่ปลอมตัวเป็นกวางเข้าไปปะปนกับฝูงกวางอันนี้ต้องใช้ความพยายามมากเพราะกวางวิ่งเร็วมากข่อยะปลอมตัวเข้าไปอยู่ปนกับฝูงกวางได้เนี่ยเป็นเรื่องทํายากอะแต่ก็ทําจนสําเร็จแล้วไปคุก ค, คี้กับกวางจะสามารถบีบน้ํานม จะกวางตัวเมียใส่ขวดจนได้แต่ระหว่างที่อยู่ที่กํารางบีดน้ำนมนั้ น, น, น, น, นก็มีพานสองคนรอดักยิง ก, กวางอยู่ก็เล่งธนูมาที่พอได้ที่ก็นาง ง, า ง, ง, า ง, ง้างเก่าทันยิงออกมาลูกธนูพวยพุ่งมาด้วยความรุนแรงแต่ด้วยไอ้สงความกระดันอยู่ จึงโดนจุดไม่สำคัญแต่ก็กระเด็นบาดเจ็บฝูงความก็วิ่งแตกกระจายในพานสองคนก็วิ่งเข้ามาหาก็รู้ว่าเป็นคนปลอมมาก็เลยช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็รู้ว่า ท, ท่าจือเนี่ยเป็นเจ้าเมืองของเมืองนี้แต่ด้วยความกระดานอยู่จึงเสี่ยงตาย เขามาลีดนมกวางด้วยตัวเองพานสองคนจึงคาวะและขอโทษขอโพยแล้วก็เชี่ยวไปประกาศแส้ซองให้คนรู้ไปทั่วฝ่ายทำชื่อก็พอได้นั้นนมควางก็ไปหยอดตายให้แม่แม่ก็หายและเสียงแส้ซ้องในความการยนต ก, ก็มีมาหลายพันปีแล้วพระราชวงโจนี่มีมาก่อนยุค ชุนชิวก่อนราชวงศ์ฮั่นซึ่งหลายปีกาลเวลาชื่อเสียงฟากันยูก็ยังมีอยู่ตลอดไปแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งเวลายงเหลือเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนเหมือนกันในสมัยราชวงศ์จิจ้นมีครอบครัวที่ยากจน อ, อยู่ครอบครัวหนึ่งมีมีพ่ออยู่กับลูกสองคน พ่อทำอาชีพรับจ้างต้องทำงานหนักมากมายเพื่อเลี้ยงลูกลูกชายอายุแปดขวบชื่อว่าอูเมิองอูเมิงเนี่ยเป็นเด็กกระดันยู่ต่อพูนพ่อมากพ่อไปทำงานอูเมิงก็ไปเรียนหนังสือพอเลิกเรียนกลับมาก็ช่วยพ่อหุงข้าวทำความสะอาดบ้าน ทุกทำทุกอย่างให้หมดเวลาพ่อมานอนก็มาคอยไล่ยุงให้บ้านนี้ยากจนมากไม่มีมุง้งไม่มีผ้าหม่มอู๋เมิงเนี่ยรักแะสงสารพ่อมากมีอยู่ครั้งดนึงพ่อกลับมาถึงบ้านก็นอนหลับสลบเลยเพราะทำงานเหนื่อย ยุงก็ชุมด้วยช่วงหน้าร้อนอูเมองม่รู้ทำไงก็เลยถอดเสื้อตัวเองออกแล้วมาช่วยคุมให้พ่อและตัวเองก็พัดโบกไล่ยุงแล้วก็ลอยอยู่มากัดตัวเองตลอดทั้งคืนเพื่อให้ปู่อพไดพักผ่อนให้เต็มที่วันแล้ววันเล่าแต่อูเมองตอนโตเป็นหนุ่มเนี่ยก็ได้ดีนะ พอมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อของอูมเมืองป่วยหนักอูมเมืองไปบอกชาวบ้านก็มาช่วยกันช่วยกันบริจาคเงินรักษาเพราะว่าอูมเมืองเป็นเด็กดีมีความกรดันอยู่ใครเห็นใครก็รักเพราะการกรันอยู่เนี่ยมีนิสสงมากคนอยากช่วยเหลือแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อของอูมเมืองป่วยหนักหาหมอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รักษาไม่หาย จนอยู่มาวันหนึ่งมีหมอเทวดาพอรู้ข่าวเข้ามารักษาแล้วก็รักษาจนหายอู๋เมิ่งก็ขอบคุณหมอขอบคุณแล้วขอบคุณเล่าแล้วขอไว้ลูกศิษย์กับหมอซึ่งหมอก็รู้ความปรดันอยู่ของอุ๋เมิ่งก็เลยรับเป็นลูกศิษย์แล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้หมดพออยู่มาไม่กี่ปีอู๋เมิ่งก็เรียนวิชารักษาคนจนจบหลักสูตรแล้วก็ไปรักษาคนทั่วไป โดยไม่คิดเงินคือช่วยทำประโยชน์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนคนก็กล่าวสารเสริญแท่ซองนี่ก็ปาเข้าไปเกือบสองพันปีแล้วเพราะสมัยราชวงศ์จิ้นเนี่ยอยู่หลังสามก๊กซึงอเกือบสอง0ันปีก็นานนานมากแล้วแต่ชื่อเสียงของเด็กคนนี้ก็ยังอยู่ ไปฝากทรงจํำคนทั่วไปตลอดการคนที่กระรันยูเนี่ยจะมีคนรักมีคนสารเสริญมีคนแซ่ซ้องมีคนช่วยเหลือตลอดผิดกับคนที่บางคนถ้าไม่รู้บุญคุณคนเนี่ยต่อยมีความรู้มากแค่ไหนก็มักเจาตัวไม่รอดไม่มีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ อ, อันนี้ต่างกันมากนะ สุภาษิตจึงบอกว่าความคนกระดานยูยตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมมีที่พึ่งตลอดใครเห็นใครก็รักนั้นความกระดานยูจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นคนเราจึงควรกระดานยูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนครือใครก็ตาม แม้แต่กรอยู่ต่อธรรมชาติดินฟ้าอากาศซึ่งมีส่วนช่วยเราเดำรงชีวิตอยู่ได้ผ้าทิศให้ความอบอุ่นพระจันทร์แม่น้ำสายลมฝนอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็มีบุญคุณต่อเราถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้ตอบแทนบุญคุณเพราะเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เราก็ธรรมชาติได้เป็นสิ่งเดียวกันอ่านมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาท่องก่อนหลวงพ่อพุทธทาสให้ฟังก่อนหนึ่งก่อนจบก่อนโลกรอดได้เพราะกระตันยูอัานบุคคลกระตันยูรู้ขุณโลกอุปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผักหรือหญ้าปลาหรือไม้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 รอดมาได้เพราะรักใคร่อย่างปุกพันธุ์พาอกระตันยูมีที่ใจเอ่ยขอความสุขความเจริญจงมีแก่เพื่อนสาธมิกและญาติโยมทุกท่าน